ยยัังงตนไม่ายประมีมากมาายยอ่ไณครับข่าวจากหนึ่สุพิมผู้จัดการออนไลน์ฉบับประจำวันที่18ธันวาคม2558ผ่านหัวข่าวว่าสิริราชร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาดูแลผู้ป่วยเท้าเบาหวานทั่วประเทศหัวข้อรองของข่าวกล่าวว่าสิริราช ลงนาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการดูแลผู้ป่วยเบาหวานพัฒนางานวิจัยดูแลเท้าเบาหวานส่งต่อโครงการแพทย์นำไปปรับใช้ทั่วประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้ต้องปรับสรีระวิทยาและพฤติกรรมช่วยป้องกันได้แนะโรงเรียนแพทย์เน้นการเรียนการสอนปรับพฤติกรรมจัดสภาพแวดล้อมป้องกันโรค ในเนื้อข่าวกล่าวไว้ดังนี้นะครับว่าเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ศูนย์วิจัยการแพทย์สิริราชศาสต ร, ราจารย์นายแพทย์ประสิธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสต ร, ร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายแพทย์สุพัรณศรีธรรมมาอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายการดูแลเท้าเบาหวานของไทยเพื่อให้ผู้ป่วยเท้าเบาหวานทั่วประเทศได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียมโดยมีนายแพทย์ปิยะสะกุลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมเป็นสักขีพยาน แพทย์ปิยสะสกุลกล่าวถึงนโยบายสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคเบาหวานว่าอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคเบาหวานของคนไทยในปี2557พบว่ามีอัตราป่วยอยู่ที่1 8 1ต่อแสนประชากรและอัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 17.5 ต่อแสนประชากรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยโรควบาหวานถือเป็นปัญหาสาธารณาสุขที่สำคัญของไทยเพราะก่อให้เกิดภาวะแสกซ้อนแต่โรคต่างๆตามมาโดยในปี2558พบว่าก่อให้เกิดโรคไตสูงสุด 7.9% โรคตา 2.4% โรคหัวใจ 1% แต่โรคลเลือดสมอง 0.6% ซึ่งแค่เฉพาะโรคไตเพียงอย่างเดียว ก็อทำให้ประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาปีละแต่ถึงปีละแสนล้านบาทสำหรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการลงไปดูแลถึงระดับหมู่บ้านและครอบครัวโดวยให้ความสำคัญในการป้องกันมากกว่าการรักษาซึ่งการป้องกันโรคเบาหวานทําได้โดยการปรับในสองเรื่องคือด้านสรีระ ได้แก่ลดความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและภาวะน้ำหนักตัวเกินแต่ด้านพฤติกรรมคือลดการสุบบุรีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอนอกจากนี้มองว่ากลุ่มโรงเรียนแพทย์จะต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนไม่เพียงเฉพาะแต่เรื่องความเชี่ยวชาญในการรักษา จะต้องเพิ่มการเรียนการสอนเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันก่อนการเป็นโรคด้วยสตราจานีนายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวว่าศิริราชให้ความสําคัญกับการทําวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการดูแลรักษาป้องกันอย่างเรื่องการดูแลเท้าเบาหวานก็จะทําให้รู้ว่าปัญหาเท้าเบาหวานเกิดจากอะไรจะป้องกันได้อย่างไร และหากจะนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริงนั้นจะต้องมีจะต้องมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้เกิดการ น, นำไปใช้จริงในระดับประเทศสิ่งเป้าหมายของศิริราชนั้นจะขยายไปถึงระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกสิ่งในปี2012โรงพยาบาลศิริราช ระรับให้เป็นโรงพยาบาลหลักในการดูแลเท้าเบาหวานจากสหพันธ์เบาหวานานานาชาติองค์การอนามัยโลกในแพทย์สุพัรร์กล่าวว่าความร่วมมือในการดูแลเท้าเบาหวานความร่วมมือในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานในครั้งนี้จะนําไปใช้จริงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั่วประเทศซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีความร่วมมือกันมาก่อนแล้วในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเป็นอาการแทรกซ้อนสำคัญคือเรื่องของภาวะไตเสื่อมและจอประสาทตาเสื่อมซึ่งทำในทั่วประเทศแล้วเช่นกันจากข่าวดังกล่าวข้างต้นทำให้ผมนึกถึงกรณีผู้มีปัญหาโรคเบาหวานจำนวนมากที่ได้มีโอกาสมา ก, กินสารสกัดข่าวตองที่ผมได้ร่วมวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี2542เป็นงานที่ให้ สารสกัดขาวตองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเตมเซลล์ ale, หรือช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์นิชโดยมีผู้ป่วยเบาหวานหรือไม่ได้เป็นเบาหวานที่มีแผลที่เท้าได้มากินสารสกัดนี้แล้วเกิดทำให้แผลแห้งและหายไปในเวลาที่รวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่รักษาแผลตามปกติที่ไม่ได้กินสารสกัดนี้หากเรามุ่งเน้นอธิบายเฉพาะในกรณีของป่วยเบาหวานดังนี้ หากเรามุ่งเน้นอธิบายเฉพาะในกรณีของผู้ป่วยเบาหวานก็จะเป็นดังนี้ผู้ป่วยเบาหวานคือผู้ป่วยที่มีปริมาณ น, น้ําตาลในกระแสเลือดมากกว่าปกติโดยไม่สามารถควบคุมได้อาจจะเกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอหรือสามารถผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอแต่เซลล์ของร่างกายก็ดื้อต่อการกระตุ้นของอินซูลินเซลล์ จึงไม่สามารถนำเอาอน้ําตาลเข้าเซลล์ได้เหลือน้ําตาลในกระแสเลือดมากกว่าปกติส่วนกเบาหวานจะเป็นโรคเรื้อรังระดับน้ําตาลจึงสูงมานานนับปีหรือหลายๆปีต่อเนื่องเปรียบเสมือนกับร่างกายถูกแช่ในน้ําเชื่อมต่อเนื่องมายาวนานธรรมชาติของน้ําตาลเมื่อสัมผัสกับโปรตีนานานๆสารทั้งสองช น, นิดจะทําปฏิกิริยากันโดยที่ไม่ต้องอาศัยเอนไซม์ หรือเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาไกลเคชันอันส่งผลให้โปรโตีนเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนมีลักษณะกระด้างไม่ยืดยุนส่งผลให้โปรโตีนของผนังหลอดเลือดฝอยแข็งตัวเลือด ก, ก็ไม่สามารถนำพาสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะได้ทั่วถึงแพ้ผู้ป่วยทดาหวานจึงหายช้าสารเบต้ากลูแคนที่เกิดขึ้นในขบวนการสกัดข้าวตอง มีคุณสมบัติไปกระตุน้นไขกระดูกให้ผลิตเซลล์ ม, มากขึ้นเมื่อเรากินเบตา้าโกเลนเข้าไปมันจะเข้าไปกระตุน้นไขกระดูกให้สร้างเซลล์ ม, มากขึ้นและปลดปล่อยออกจากไขกระดูกเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างต่อเนื่องเซลล์ ม, มีหน้าที่ฟื้นฟูและซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกายดังนั้นเมื่อในกระแสเลือดมีเซลล์ ม, มากขึ้นการซ่อมแซมแผลก็ดีและเร็วขึ้น ดังที่พบในผู้ป่วยจำ น, นวนมากที่เป็นแผลเรื้อรังและมีโอกาสมา ก, กินสมุนไพรขาวตองสกัดดังกล่าวขุดความนี้จะเป็นประโยชน์กับศูนย์วิจัยการแพทย์สิริราชหรือกระทรวงสาธารณสุขตามข่าวข้างต้นบ้างผู้เขียนยินดีให้ความร่วมมืออันจะส่งผลต่อเนื่องไปยัผู้ป่วยเท้าเบาหวานคนอื่นๆทั่วประเทศและทั่วโลกในอนาคตสวัสดีครับ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 ยับยั้งตอนยังไม่ตายโปรภัยช่งมีมากมาย